เรื่องทรงห้ามให้คนมือด้วนเป็นต้นบรรพชา mala. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงให้คนมือด้วนบรรพชาไม่พึงให้คนเท้าด้วนบรรพชาไม่พ <TAKE> ึงให้คนทั้งมือทั้งเท้าด้วนบรรพชาไม่พึงให้คนหูวิ่นบรรพชาไม่พึงให้คนจมูกแหว่งบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกแหว่งบรรพชา ไม่พึงให้คนทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าขาดบรรพชาไม่พึงให้คนง่ามมือง่ามเท้าขาดบรรพชาไม่พึงให้คนเอ็นขาดบรรพชาไม่พึงให้คนมือเป็นแผ่นบรรพชาไม่พึงให้คนข้อมบันพชาไม่พึงให้คนเตี้ยบรรพชาไม่พึงให้คนคอพอกบรรพชาไม่พึงให้คนถูกสักหมายโทษบรรพชาไม่พึงให้คนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายบรรพชาไม่พึงให้คนมีหมายจับบรรพชา ไม่พึงให้คนเท้าปุกบรรพชาไม่พึงให้คนมีโรคเรื้อรังบรรพชาไม่พึงให้คนมีรูปร่างไม่สมประกอบบรนพชาไม่พึงให้คนตาบอดข้างเดียวบรรพชาไม่พึงให้คนง่อยบรรพชาไม่พึงให้คนประจกบรรพชาไม่พึงให้คนเป็นโรคอัมพาธบรรพชาไม่พึงให้คนเคลื่อนไหวเองไม่ได้บรรพชาไม่พึงให้คนชราทุพพลภาพบรรพชาไม่พึงให้คนตาบอดสองข้างบรรพชาไม่พึงให้คนใบ้บรรพชา ไม่พึงให้คนหูหนวกบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งบอดทั้งใบบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งบอดทั้งหนวกบรญชาไม่พึงให้คนทั้งใบทั้งหนวกบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งบอดทั้งใบทั้งหนวกบรญชารูปใดให้บรรพชาต้องอบัตทุกกดนัปพาเชตพระทวติงสวานจบทายะชะพานวานที่เก้าจบ